ธรรมบทภาคที่สปุพพวักวันน า, นาเสนอเรื่องที่หเรื่องโกสิยะเศษฐีผู้มีความตรณีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวทีทรงปาราบเศรษฐีชื่อโกสิยะ ผู้มีความตรณีกราดพระธรรมเทศนานิว่าเจถาปิพระมโรปุพังเป็นต้นเรื่องนี้ตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชครึกดังได้สะดับมาในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชครึกได้มีนิคมหนึ่งชื่อสักระ เศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกศิยะมีความตระหนี่มีสมบัติ8ปโกดประจำอยู่ในนิคมนั้นเขาไม่ให้แม้หยดน้ำมันสักหยดเดียวด้วยปลายาแจกคนเหล่าอื่นทั้งไม่บริภคด้วยตนเองสมบัติของเขานั้นไม่อำนวยประโยชน์แจกพยชนทั้งหลายมีบุตรและภริยาเป็นต้นไม่อำนวยประโยชน์แจ่สมณนะ และพรังทั้งหลายคงเป็นของไม่ได้ใช้สอยตั้งอยู่เหมือนสะพโคกรณีที่ผีเสื้อน้ำห่วงแหนด้วยประการชนิแลวันหนึ่งเวลาจนสว่างพระาศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ ทรงตรวจดูมูสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ที่พอแนะนำในการตรัสรู้ในสกลโลกธาตุได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปฏิพลของเศรษฐีพร้อมทั้งปริยาซึ่งตั้งอยู่ในที่สุดแห่งที่45โย์ก็ในวันก่อนแต่วันนั้นเศรษฐีไปสู่พระราชมทียเพื่อบำรุงพระราชา ทำการบำรงพระราชาแล้วกลับมาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งถูกความหิวครอบ ง, งำกำลังกินขนมเบื้องให้เกิดความกระหายในขนมนั้นขึ้นไปสู่เรือนของตนแล้วคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไสคนเป็นอันมากก็จะพา ก, กันอยากกินกับเราเมื่อเป็นอย่างนั้นวัตถุเป็นอันมาก มีงาเข้าสารเนนใสน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแก่ใครใคดังนี้แล้วอดกลั้นความอยากเที่ยวไปเมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเขาผอมเหลืองหลงทุกทีมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นแต่นั้นไม่สามารถจะกลั้นความอยากไว้ได้เข้าห้องแล้วนอนกอดเตียงเขาแม้ถึงความทุกอย่างนี้ ก็ยังไม่บอกอะไรๆแจงใครๆเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาเข้าไปหาเขาแล้วลูบหลังถามว่าท่านไม่สบายหรือไงเสรษจทีตอบว่าความไม่สบายอะไรๆของฉันไม่มีภรรยาถามว่า พระราชากริ้วท่านหรือเศรษฐีตอบว่าถึงพระราชาก็ไม่กริ้วฉันพระญาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่พอใจอะไรอะไรที่พวกลูกชายลูกหญิงหรือปริชนมีาธาตุกรรมกรเป็นต้นกระทําแก่ท่านมีอยู่หรือเศรษฐีตอบว่าแม้กรรมเห็นปานนั้นก็ไม่มีพระยาถามว่าก็ท่าน มีความอยากในอะไรหรือเมื่อภระยากล่าวอย่างนั้นเขาก็ไม่กล่าวอะไรคงนอนเงียบเสียงเพราะกลัวสียรัพย์ล่ามดับนั้นภระยากล่าวกับเขาว่าบอกเิดนายท่านอยากอะไรล่าดับนั้นภระยากล่าวกับเขาว่าบอกเธอนายท่านอยากอะไรเขาเป็นเหมือนกลืนคำพูดไว้ตอบว่าฉันมีความอยากภระยาถามว่าอยากอะไรนาย เศรษฐีตอบว่าฉันอยากกินขนมเบื้องภรยากล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทาไมท่านไม่บอกใจดีฉันท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอใจคนที่อยู่ในสักระนิคมทั้งสิน้นเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทางานของตนก็จะกินของตนภรยากล่าวว่าถ้ากระนั้น ดิฉันจะทอดข น, นมเบื้องให้พอเจกคนที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐีกล่าวว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยซับหลักภระยากล่าวว่าดิฉันจะทอดให้พอเจกคนทั้งหมดที่อยู่ในที่ใกล้เรือนนี้เศรษฐีกล่าวว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาสัยกว้างขวางหลักภรรยากล่าวว่าถ้ากระนั้น ดิฉันจะทอดให้พอใจอชนสักว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองเศรษฐีตอบว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นภริยาถามว่าก็ดิฉันจะทอดให้พอใจอท่านและดิฉันหรือเศรษฐีกล่าวว่าเธอจะทําทําไมภรยากล่าวว่าถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอใจอท่านผู้เดียวเท่านั้น เศรษฐีกล่าวว่าเมื่อเธอทอดขนมที่นี่คนเป็นจำนวนมากก็ย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิน้นถือเอาเข้าวสารหักและเชิงกรานและกระเบื้องและถอเอาน้ำนมเนยใสน้ำพึ่งและหนาอ้อยหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งป ร, ราสาทเจ็ดชั้นแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจักนั่งกินณที่นั้น นางรับคำว่าดีหลักแล้วให้ทาสีถือสิ่งของที่คนถือเอาขึ้นไปสู่ปราศาส์แล้วไล่ทาสีไปให้เรียกเศรษฐีมาเศรษฐีนั้นปิดประตูใส่ลิมและสลักทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกมาแล้วขึ้นไปอย่างชั้นที่เจ็ดปิดประตูแล้วนั่งณนะที่ชั้นแม่นั้นไฟภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้ง แล้วเริ่มทอดขนมครังนั้นพระศาสดาตรัสเรียกพระหมาโมคคลานาเทระมาแต่เช้าตรู่ตรัสว่าโมคคลานะในสการณิคมซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกรุงราชคฤห์เศรษฐีผู้มีความตรณีที่นั่นคิดว่า เราจะกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาทอดขนมเบื้องบนปรายศาสเจ็ดชั้นเพราะเรากลัวคนลาวอื่นเห็นเธอจงไปณที่นั้นแล้วทรมานเศรษฐีทําให้สิ้นพยศให้ผัวเมียแม่ทั้งสองถือขนมและน้ํำนมเนืยใสน้ํ า, าพึ่งและน้ําอ้อยแล้วนาํามายังพระเจดวันด้วยกํำลังของตนวันนี้เรากับภิกษุห้าร้อยรูป จากนั่งในวิหารนั่นแหละจากทำพธธัฒนจิจด้วยขนมเท่านั้นแม้พระเทระก็รับพระดำรัสของพระศาสดาว่าดีละพระเจ้าค่าแล้วไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังริดทันทีทีเดียวเป็นผู้นุ่มห่มเรียบร้อยได้ยืนอยู่ที่ช่องสีห บ, บัญชรแห่งปราสาทนั้นเหมือนรูปเจ้ามณีลอยเด่นอยู่กลางอากาศเที่ยวเพราะเห็นพระเทระนั่นแหละ ดวงหะไทยของมหาเศรษฐีก็สันสตานเขาคิดว่าเรามาที่นี่เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้มีรูปอย่างนี้นั่นแหละแต่สมณะนี้ยังเมื่อยืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างได้เมื่อไปเห็นเครื่องมือที่ตนควรจะช่วยเอาเดือดดานทำเสียงตะตะประดุดก้อนเกลือที่ถูกรยลงในไฟจึงกล่าวอย่างนี้ว่า สมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจักได้อะไรแม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซึ่งหาอไรอยมิได้อยู่ก็จักไม่ได้เหมือนกันพระเทระจงกรมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแลเศรษฐีกล่าวว่าท่านจงกรมอยู่จะได้อะไรแม้นั่งด้วยบันลังในอากาศก็จักไม่ได้เช่นกันพระเทระยิงนั่งคูบันลงัง ลำดับนั้นเศรษฐีกล่าวกับท่านว่าท่านนั่งในอากาศจะได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จักไม่ได้พระธทรรได้ยืนอยู่ที่ธรณีแล้วลำดับนั้นเขากล่าวกับท่านว่าท่านยืนที่ธรณีหน้าต่างจะได้อะไรแม้บังหวนควัแล้วก็จักไม่ได้เหมือนกันแม้พระเทิรก็บังหวนควันพระสาตทั้งสิ้น ได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกันอาการนั้นได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีด้วยเข็มเศรษฐีไม่กล่าวกับท่านว่าแม้ท่านให้ไฟพลงอยู่ก็จักไม่ได้เพราะกลัวไฟไม่เรือนแล้วคิดว่าสมณะนี้จักเป็นผู้เจียวข้องอย่างสนิทไม่ได้แล้วจักไม่ไปเราจะให้ถวายขนมแจกท่านชิ้นหนึ่ง แล้วจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญถือจงทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้แก่สมณะแล้วจงส่งท่านไปเสียเถิดนางหยอดแป้งลงในถาดระเบิ้นิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นขนมชิ้นใหญ่ดีพองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาดตั้งอยู่แล้วเศรษฐีเห็นเหตุ น, นั้นกล่าวว่าชะรอยหล่อนจากหยิบแป้งมากไปดังนี้แล้วตักแป้งหน่อยหนึ่ง ได้มุมทับผีแล้วหยอดเองทีเดียวขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชนนิ้นนั้นก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียวเขาเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงให้ขนมจาสมณีชิ้นหนึ่งเถอะเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเชา้าขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเป็นอันเดียวกัน นางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายขนมทั้งหมดติดเนื่องเป็นอันเดียวกันเสียแล้วดิฉันไม่สามารถทำให้แยกกันได้แม้เขากล่าวว่าฉันจะทำเองแล้วก็ไม่อาจทำได้ถึงทั้งสองคนจับที่ริมแผ่นขนมแล้วดึงออกอยู่ก็ไม่อาจให้แยกออกจากกันได้เลยครานเมื่อเศรษฐีนั้นปล้มอยู่กับขนมเพื่อจะให้แยกกัน เหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้วความหิวกระหายก็หายไปลำดัดนั้นเขากล่ามกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้แก่สมณะเถิดนางช่วยกระเช้าแล้วเข้าไปหาพระธีระพระธีระแสดงธรรมแก่คนแม่ทั้งสองกล่าวคุณพระตนตรยัยแสดงผลฐานที่บุคคลให้แล้วเป็นอัที่ ให้เป็นดังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศรษฐีฟังทานั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงมานั่งฉันบนบันหลังนิเถอดพระธีรากล่าวว่า มหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในวิหารกับภิกษุห้าร้อยรูปโดยต่างพระฤๅษยว่าจาักเสวยขนมเมื่อท่านมีความชอบใจเศรษฐีท่านจงให้ปริยาถือเอาขนมและวัตถุอันมีน้ำนมเป็นต้นพวกเราจักไปสู่สำนักพระาศาสดาเศรษฐีกล่าวว่าก็บัดนี้ พระศาสดาประทับอยู่ณที่ไหนเล่าขอรับพระเทระกล่าวว่าพระทับอยู่ในพระชิตวันวิหารในที่สุดแห่ง45โยตจากที่นี้เศรษฐีเศรษฐีกล่าบเรียนว่าท่านผู้เจริญพวกเราจากไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่านี้จะไม่ล่วงเลยเวลายอย่างไรพระเทระตตอบว่ามหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความชอบใจ เราจะนาท่านทั้งสองไปด้วยกําลังของตนหัวบันไดปราศาสของท่านจักมีในที่ของตนนี้เองแต่เชิงบันไดจักมีที่สุ้มประตูพระเชตวันเราจะนําไปสู่พระเชตวันโดยการช่วเวลาลงจากปราศาสชั้นบนไปอย่างชั้นล่างเขารับว่าดีละขอรับพระศิระทั้งหัวบันไดไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วอธิษฐานว่าขอเชิงบันได จงมีที่สุงประตูพระเจตวันบันไดก็ได้เป็นแล้วอย่างนั้นแลพระเีระให้เศรษฐีรัภริยาถึงพระเจตวันเร็วกว่าการที่หลงจากปราสาทชั้นบนลงไปยังชั้นล่างสามีภรรยาแม้ทั้งสองคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลพระศาสดาเสืจเข้าไปสู่โรงฉันแล้วประทับนั่งบนพุทธอาอัต ที่เขาปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มหาเศรษฐีได้ถวายทักษิโนโทกแต่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภรยาใส่ขนมในบาตรของพระศาสดาแล้วแม้มหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรยาก็บริโภคขนมพอใจความต้องการความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลยแม้เมื่อเขาถวายขนมใจภิกษุในวิหารทั้งสิน้นและให้แจ้คน กินเดนทั้งหลายแล้วความหมดสิ้นแห่งขนมก็ไม่ปรากฏอยู่นั่นเองเขาทั้งสองจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขนมถึงความหมดไปไม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรานว่าถ้ากระนั้นท่านทั้งสองจงทิ้งเสียที่ซุ้มประตูพระเชตวันเขาทั้งสองก็ทิ้งแล้วที่เงื้อมซึ่งไม่ไกลซุ้มประตูพระเชตวัน แม้ทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังปรากฏชื่อว่าเงือมขนมเบื้องมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วในการจบอนุโมทนาสามีและภรรยาแม้ทั้งสองดํารงอยู่ในโซดาปฏิผลแล้วถาวายบังคมพระศาสดา ขึ้นบันไดที่สุ่มประตูพระเชตวัตแล้วสถิตยอยู่ที่ปร า, าสา์ของตนทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีได้เกลียดทรัพย์จำนวน80โกดในพระพุทธศาสนานั่นแหละในเวลาเย็นวันรุ่งขึ้นพวกพิสุประชุมกันในโรมธรรม นั่งกล่าวคุณกชชาของพระเถระว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายยงดูอนุภาคของพระมหาโมคคัลลานะท่านชื่อว่าไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะทระมานเศรษฐีผู้มีความกรณีโดยครู่เดียวกระทำให้หมดพยศแล้วได้ถือเอาขนมนํามาสู่พระเชตวันกระทําไว้ ตรงพระพักพระศ า, าสดาแล้วให้ตั้งอยู่ในสุดาปฏิผลน่าอัศาจรรย์พระธีระมีอนุภาพมากจริงพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพวกภิกษุด้วยพระสูตร ธ, ธาตุอันเป็นทิพเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรกันหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้ จึงตรัสสรรเสริญพระเถรว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันภิกษุผู้ทรมานสกุลไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนสกุลเป็นดุดมแมลงผู้เขาเอาละอองจากดอกไม้เข้าไปหาสกุลแล้วควรให้รู้พุทธคุณโมฆลลานะบุตรของเรา ก็เป็นเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกชำ้ำถือเอาแต่รถแล้วบินไปฉะนั้นชาติแห่งสัตว์ผู้กระทำน้ำหวาน ชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าพะมอนในพระราคาถานั้นบดว่าปูผังเป็นต้นความว่ามแมลงผู้เมื่อบินไปในสวนดอกไม้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกชำ้ำคือว่าไม่เสียหายบินไปบดว่าปะเลติความว่าครั้นบินไปอย่างนั้นแล้วดื่มรสจนพอความต้องการข้าบเอารสแม้อื่น ไปเพื่อประโยชน์จากการกระทำน้ำหวานแล้วบินไปมแมลงผู้นั้นร่อนลงสู่ป่าชัดแห่งหนึ่งแล้วเก็บรถซึ่งเจือด้วยทุลีนั้นไว้ในโพรไม้แห่งหนึ่งแล้วกระทำรถน้ำหวานให้เป็นน้ำพึ่งโดยลำดับดอกหรือสีและกลิ่นของดอกไม้นั้นหาชอกช้าไปเพราะรการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งมแมลงผู้นั้นเป็นปัใจจัยไม่ ที่แท้สิ่งทั้งหมดคงเป็นปกติอยู่นั่นเองบายพระคาถาว่าเอวังคาเมมุนีเจเรความว่าพระอนาคารียมุนีต่างโดยเซขะและอเสขะก็ฉะนั้นเที่ยวรับภิกษาในบ้านโดยลำดับสกุลแท้จริงการเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะหามีใจสกุลทั้งหลายเพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีนั้นเป็นปัจจัยไม่ ศรัทธาก็ดีโภคะก็ดีคงเป็นปกติอยู่นั่นเองก็แลพระเสขมุมนีและอเสขมุมนีครันเที่ยวไปอย่างนั้นออกมาแล้วพระเสขมุมนีโปสังคาตินั่งณที่ที่สบายด้วยน้ำภายนอกบ้านก่อนแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาตด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยน้ำมันหยอดเพลาผาปิดแผล และเนื้อแห่งบุตรแล้วฉันบินทบาทหลบเข้าไปสู่ไพรส่วนเห็นป่านนั้นพิจารณากรรมฐานเป็นไปในภายในกระทธรรมมรสีและผลสีให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้ส่วนพระอาเซขมุนีประกอบการหยุดสบายในทิฐธรรมเนืองเนืองบัณฑิตพึงทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับมแมลงผู้ ด้วยการกระชำน้ำหวานเช่นนี้แต่ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพระขีนาศพในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นพระศ า, าสดาครั้นตรัสพระธรรมเทศนาดีแล้วเพื่อจะประกาศคุณของพระเทระ แม้ให้ยิ่งจริงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคันลานะทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเธอก็ทรมานเขาแล้วให้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ทรงนำอดีตนิทานมาสาทกตรัสอินลีสะชาดกนี้ว่าคนทั้งสอง เป็นคนกระจอกคนทั้งสองเป็นคนค่อมคนทั้งสองเป็นคนมีตาลเล่คนทั้งสองมีต่าบนศีรษะเราไม่รู้จักเศรษฐีชื่ออิลิซาว่าคนไหนดังนี้แหละเรื่องโกศียะเศรษฐีผู้มีความปรณีจบ